จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาในความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองมิถุนายนพุทธศักราช2556าสเป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาวันเพื่อมารับธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้า ที่เป็นยารักษาโรคใจไม่ให้ใจของเราต้องทุกข์ต้องเครียดต้องวิตกกังวลวางวุ่นขุ่นรัวการมาวัดจะเป็นเหมือนกับการไปโรงพยาบาลเพราะชีวิตของเรามีสองคนไม่ใช่มีคนเดียว เรามีร่างกายคนหนึ่งมีจิตใจอีกคนหนึ่งร่างกายก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจโรคไปรับยาไปรักษาโรคใจก็ต้องมาวัดวัดก็เป็นเหมือนโรงพยาบาลของจิตใจเป็นที่มารับยารักษาโรคเป็นที่มามา มาตรวนสุขภาพจิตใจว่าเป็นปกติดีหรือไม่ถ้าไม่ปกติก็จะได้นำยาไปรับประทานเพื่อให้จิตใจเป็นปกติสุขการมาว่าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกับการไปโรงพยาบาล ไม่จำเป็นว่าจะต้องไม่สบายก่อนถึงค่อยไปเวลาเราไปโรงพยาบาลบางทีเราก็ยังสบายดีแต่เราไปเพื่อความไม่ประมาทเราไปเพื่อตรวจสุขภาพร่างกายของเราดูว่ายังเป็นปกติอยู่หรือไม่ถ้ามีอะไรจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีการมาวัดก็เหมือนกันเราก็มาดูแลรักษาจิตใจของเรา มาตรวจสุขภาพจิตใจของเราว่าเป็นปกติหรือไม่ถ้ามีปัญหาอะไรจะได้รีบแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไปการเข้าวัดจึงเป็นการมารับยารักษาโรคทางจิตใจจิตใจไม่สบายก็เพราะว่ามีเชื้อโรคเหมือนกับร่างกายเวลาร่างกายไม่สบาย ก็เพราะว่ามีเชื้อโรคเช่นเวลาเป็นหวัดก็มีเชื้อโรควัดเวลาไม่สบายใจก็มีเชื้อโรคของความไม่สบายใจเชื้อโรคของความไม่สบายใจคืออะไรก็คือความโลภ ค, ค, ความโกรธความหลงเนี่ยถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงเราก็จะมีความไม่สบายใจ มีความวิตกกังวลมีความเครียดมีความว้าวุ่นขุ่นบัวกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเรามียารักษาโรคมากินเวลาที่เราไม่สบายใจหรือกินไว้ล่วงหน้าก่อนก็ได้กินไว้เพื่อคุมโรคไม่ให้เกิดขึ้นธรรมะนี้เป็นยารักษาโรคใจเป็นยาที่ควบคุมไม่ให้ โรคจิตโรคใจกำเริบขึ้นมาธรรมะก็มีไว้เพื่อมาดับความโลภความโกรธความหลงนี่เองเช่นความโลภ น, ลนี้เราจะใช้ธรรมะอะไรมาดับความโลภ ก, ก็มีหลายหลายหลายหลายชนิดด้วยกันชนิดแรกก็ให้ใช้เหตุผลเช่นเราโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้อง ให้เหตุผลถามว่าจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องได้สิ่งนั้นมาถ้าไม่ได้สิ่งนั้นมาเราจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายแสดงว่าไม่จำเป็นแสดงว่าเป็นความโลภเป็นความโลภถ้าสิ่งนั้นจาเป็นต่อการดำรงชีพถ้าไม่ได้สิ่งนั้นแนละ้วเราจะต้องตายเรา เอามาอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นความโลภเป็นเหตุเป็นผลเป็นธรรมะเป็นความถูกต้องดังนั้นเวลาเราอยากได้อะไรเราต้องใช้เหตุผลถามตัวเองว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีสิ่ง น, นั้นเช่นเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่ที่เขาแขวนอยู่ในร้านเห็นแล้วสวยงามอยากได้เราก็ต้องถามตัวเองว่าเอา เราเสื้อผ้าไม่พอใส่หรืออย่างไรหรือเรามีความจำเป็นจะต้องใส่เสื้อผ้าชุดนั้นเพื่อไปใช้กับภารกิจการงานอะไรอย่างไรถ้ามีความจำเป็นก็ซื้อมาได้อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภเป็นเหตุเป็นผลเป็นเป็นความจำเป็นถ้าเป็นความจำเป็นแล้วมันจะไม่ได้ซื้อมา พอจะซื้อเท่าที่มีเหตุการณ์บังคับให้ซื้อเท่านั้นเองแต่ถ้าซื้อด้วยความโลภความชอบความอยากได้นี้ซื้อมาเท่าไหร่ก็จะไม่พอเพราะว่าพอได้มาแล้วสิ่งที่ได้มาก็หมดความหมายไปก็อยากจะได้สิ่งใหม่ต่อไปได้สิ่งไหนใหม่มาก็จะไม่สนใจอยากจะได้สิ่งใหม่อีกต่อไปเรื่อย ถ้าเราปล่อยให้ใจเราทำตามความโลภใจเราก็จะต้องพบกับความเครียดพบกับความทุกข์เพราะหนึ่งสิ่งที่เราอยากได้ก็ต้องใช้เงินใช้ทองซื้อมาแล้วถ้าเงินทองเรามีไม่มากพอเราก็จะเกิดปัญหาได้เราก็ต้องไปเดินดนทำมาหากิน หาเงินหาทองเวลาหาเงินหาทองก็ต้องลำบากยากเยน็นมีประอุปสรรคมีปัญหาอะไรต่างๆเหล่า น, นี้เรียกว่าเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแต่ถ้าเราไม่โลภแล้วเราจะมีเงินทองเหลือใช้แล้วเราไม่ต้องไปดิ้นรนทำมาหากินให้เหนื่อยยากมากจนเกินไปเราจะทำงานอย่างสุขอย่างสบาย วันไหนอยากจะไปก็ไปวันไหนไม่อยากจะไปก็ไม่ไปก็ได้เพราะว่าเรามีเงินเหลือเราไม่ต้องเนาไม่เดือดร้อนถ้าวันนี้เราไม่สามารถหาเงินได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีเงินเหลือมากแล้วเราก็ไม่มีความโลกอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเรามีความโลภอยากได้แล้วต่อให้มีเป็นล้านก็ไม่พอใช้ พอมีเงินมากมันก็จะเห็นของที่มีราคาแพงๆมันก็อยากได้เหมือนกันเช่นตอนนี้เรามีเงินน้อยเราอยากได้รถยนต์เราซื้อรถปิกอัพมาคันหนึ่งเราก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าเรามีเงินเพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าทีนี้ขับรถปิกอัพไม่มีความสุขแล้วต้องขับรถเกง๋งรถเบนซถึงจะมีความสุขนี่คือความโลก มันจะหลอกให้เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแบบไม่มีขอบไม่มีเกตแล้วนั่นมาแล้วก็ไม่ได้ทําให้ความสุขมีเพิ่มมากขึ้นไปแล้วก็ไม่ใช่เป็นความสุขที่ยั่งยืนจีรังถาวรเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วก็เป็นความสุขที่จะผลิตความโลภความอยากขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่เราทําตามความโลภนี้ เวลาเราได้มาแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะพอแต่เรากลับจะอยากได้เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างโบราณท่านพูดไว้ว่าได้คือก็อยากได้สอได้สองก็อยากจะได้วาเป็นในสิบก็อยากจะเป็นในร้อยเป็นในร้อยก็อยากจะเป็นในพันเป็นในพันก็อยากจะเป็นในหมื่นในแสนอยากจะขึ้นไปเรื่อย ไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดมีความอยากตราบใดมีความหิวความต้องการตราบนั้นจะไม่มีความสุขดังนั้นเราต้องลดละความโลภด้วยการใช้เหตุใช้ผลนี่คือวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็ให้ใช้เหตุเหมือนกันต่ใช้เหตุที่ไกลไกลกว่า น, นี้คือเราต้องถามตัวเองว่า เราเวลาเราตายไปเราเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้หรือเปล่าถามบ้างว่าเอาไปซื้อมามากมายทําไมเวลาตายไปเอาไปได้หรือเปล่าสมมุติพรุ่นี้หมอบอกว่าจะต้องตายภายในเวลาสองเดือนสามเดือนยังอยากจะซื้อข้าวของซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเทงรองเท้าซื้อของฟุง่มเฟือยต่าง ๆ, งางๆองีกหรือเปล่า ถ้าเราคิดถึงความตายว่ามันจะช่วยตัดความโลภได้ความตายนี่แหละเป็นเบรกที่จะทำให้เราได้สติขึ้นมาทุกครั้งที่เรามีความโลภนี้แสดงว่าเรากำลังเมาเหมือนคนเมาคนที่ไม่ใช้ความคิดด้วยเหตุด้วยผลคิดด้วยอารมณ์เห็นอะไรชอบก็อยากได้ขึ้นมา ถ้าไม่ได้ก็ต้องดิ้นตายให้ได้ก็จะมีแต่การสร้างความทุกข์อยู่เรื่อยๆนี่ก็อีกวิธีหนึ่งสำหรับการที่เราจะลดละหรือส ก, กัดความโลภอีกวิธีหนึ่งก็ให้ฝึดนิสัยมากน้อยสันโดษมากน้อยแปลว่าอะไรก็คือไม่มากมากนั่นเองไม่ต้องการมากเกินความจำเป็นไม่ต้องการ มากเกินความต้องการของชีวิตชีวิตของเราต้องการอะไรก็คือต้องการปัจจัยสี่เท่านั้นเองอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคถ้าเรามีพอเพียงแล้วก็ถือว่าพอแล้วถ้าเราต้องการมากกว่านี้ก็เรียกว่ามากๆไม่ใช่มากน้อยมันน้อยต้องใช้น้อยๆจริงๆ เอาเท่าที่จำเป็นจริงๆเสื้อผ้าถ้ามักน้อยจริงๆก็ต้องเอาเพียงสองชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักของพระนี่ผ้มามักน้อยนี่ท่านจะมีจีวรผืนเดียวจีวรไว้ห่มคลุมหนึ่งผืนมีสะบงไว้นุ่มเหมือนผ้าถุงหนึ่งผืนแล้วก็มีผ้าสัมคติเอาไวส้สาหรับห่มกันหนาว นี่คือพระมักน้อยสันโดษพระมักน้อยท่านจะใช้จีวรเพียงหนึ่งชุดผ้าใจหนึ่งชุดเท่านั้นเองแล้วถ้ามักน้อยกว่านี้ก็คือผ้าก็จะต้องเป็นผ้าเก่าไม่ต้องการผ้าใหมา่เอาผ้าที่เขาทิ้งตามกองขยะตามป่าชา้าไปเก็บผ้ามาเศษผ้ามาแล้วมาสะสมเอาไว้ จนได้ประมาณที่จะมาตัดเย็บเป็นจีวรได้เมื่อตัดเย็บเสร็จแล้วก็ต้มเอาต้มเอามาเอ า, เอาแกนไม้ต้นน้าแล้วก็เอามายอมซักย้อมผ้านี่คือผ้าของพระที่มักน้อยท่านทำอย่างนี้สันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิดสันโดษนี้ยังยังสบายกว่ามากน้อย ความมากน้อยนี่เอาน้อยจริงๆเอาเท่าที่จำเป็นแต่สันโดษนี้เอาตามมีตามเกิดมีมากก็เอามากได้มีน้อยก็เอาน้อยยินดีตามมีตามเกิดถ้าเรามีความมากน้อยมีความสันโดษแล้วความโลภมันจะไม่กล้าโผล่หัวขึ้นมาเพราะมันโผล่หัวขึ้นมามันก็ต้องหดกลับไปเพราะเราจะไม่ทําตามความโลภนั่นเอง เราจะมักน้อยมีเสื้อผ้าแค่สองชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักมีกระเป๋าไว้ใบหนึ่งมีอรองเท้าไว้หนึ่งคู่อย่างนี้ก็อยู่ได้นะอาหารก็ต้องมักน้อยไม่กินมากจนเกินไปการกินอาหารมากเกินไปก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กลับเป็นโทษทำให้ร่างกายสูญเสียความสวยงามไป ร่างกายจะกลายเป็นตุ่มไปถ้ากินมากเกินไปแล้วก็จะทําให้ร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องเกิดแต่ก็เกิดเพราะว่ารับประทานมากเกินไปรับประทานของหวานมากเกินไปก็จะเกิดเบาหวานรับประทานของมันมากเกินไปก็จะเกิดไขมันอุดตัน รับประทานของที่เป็นพิษเป็นภัยหรือดื่มเครื่องดื่มที่เป็นพิษเป็นภัยก็จะทำให้ตับไตไส้พุงเสียหายได้เช่นดื่มสุรายาเมาถ้าสูบบุหรี่ก็จะทำให้ปอดอเป็นมะเร็งได้เหล่านี้เป็นผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากความโลภของเราทั้งนั้นเองของการที่ไม่รู้จัก บริโภคสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์บริโภคตามความอยากตามความต้องการชอบรสไหนกลิ่นไหนชอบสีไหนก็จะเอาแบบนั้นอย่างนี้เรียกว่ารับประทานด้วยความโลภถ้ารับประทานด้วยเหตุผลก็ต้องรับประทานพอประมาณไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไป น้อยไปก็ไม่ดีเพราะว่าทำให้ร่างกายสู้ผอมไม่มีกาลังและอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้เรากินนี้รับประทานนี้รับประทานเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุดรับประทานอาหารเหมือนกับรับประทานยาอย่าไปรับประทานตามความอยากาะจะเป็นอันตราย ต่อร่างกายและเป็นอันตรายต่อจิตใจเพราะเวลาอยากรับประทานก็รับประทานตามความอยากแต่เวลาไม่มีเงินจะซื้อสิ่งที่อยากจะรับประทานเวลานั้นก็จะมีความทุกข์ใจหรือเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาต้องไปโรงพยาบาลต้องไปหาหมอ อย่างนี้ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทุกกายแล้วไม่พอต้องมาทุกข์ใจอีกด้วยเพราะใจไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองนี่คือวิธีที่เราจะมาทำลาเชื่อโรคของใจที่ทำให้ใจของเราไม่สบายกินไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกังวล ว่าวุ่นขุนมัววุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเราต้องใช้ธรรมะซึ่งเป็นยารักษาโรคใจเรียกว่าธรรมะโอสถไม่มียาอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถรักษาโรคใจได้นอกจากธรรมะโอสถคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นดังนั้นขอให้เราจง ใช่เหตุใช้ผลเวลาที่เราอยากจะได้อะไรถามว่าจำเป็นหรือไม่หรือให้เราพิจารณาความตายไว้ว่าเราตายไปแล้วเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปได้หรือเปล่าแล้วก็ให้ใช้นิสัยคือความมากน้อยสันโดษให้ยินดีน้อยที่สุดต้องการน้อยที่สุดต้องการเท่าที่จำเป็นจริงๆ ถ้าไม่จําเป็นแล้วจะไม่เอาถ้ามีก็จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นไปทําบุญทําทานสร้างมิตรภาคดีกว่าถ้าโลภแล้วจะสร้างศัตรูเพราะจะต้องแก่งแย่งชิงดีกันแต่ถ้าไม่โลภมักน้อยแล้วจะมีแต่มิตรมีแต่เพื่อนเพราะเราจะมีของเหลือไว้แจกจ่ายให้กับคนนั้นคนนี้ได้ตลอดเวลาแล้วเราจะได้ ความสงบความสุขใจใจของเราก็เย็นสบายไม่เครียดไม่ทุกข์กับความโลภความอยากความต้องการต่างๆนี่คือวิธีที่เราจะใช้ในการต่อสู้หรือทําลายความโลภความโกรธนี้เราก็ต้องใช้ธรรมะมาต่อสู้มาทําลายเช่นเดียวกันเวลาเราโกรธใครพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรา แผ่เมตตาคือไม่ให้จองเวงสัพเพสัตตาอเวราหงตุบการไม่จองเวงทําอย่างไรก็คือการให้อภัยยกโทษถือว่าเป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเกิดขึ้นแล้วไปโกรธแค้นโกรธเคืองไปทําร้ายเขาก็ไม่ได้ไปลบล้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้เราแผ่เมตตา ให้อภัยแล้วทุกอย่างจะสงบเป็นปกติถ้าเราแผ่มเมตตาได้ใจเราก็จะหายโกรธหายเครียดแค้นหายพอาฆาตพยาบาทใจเราก็จะกลับมาเป็นปกติถ้าเราแผ่มเมตตาไม่ได้เราจะโกรธจะแค้นฝังลึกอยู่ในใจไปหลายวันหลายเดือนและเราจะคิดไม่ดี คิดที่จะหาวิธีทำร้ายผู้ที่เขาทำให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองแล้วถ้าเราไปทำร้ายเขาแล้วเขาก็จะโกรธแค้นโกรธเคืองเราเขาก็จะกลับมาอาฆาตพยาบาทจองล่างจองผลาญมาทำร้ายเราอีก <todavía> ก็จะเป็นสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายไป แล้วหลังจากที่ตายไปแล้วทั้งคู่กลับมาเกิดใหม่เจอกันเมื่อไหร่ก็จะอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นโกรธเคืองกันต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันชิ้นสุดพระพุทธเจ้าทรงสั่ ง, งว่าเวนย่อมไม่ละ ง, งับด้วยการจองเวนเวนย่อมละ ง, งับด้วยการไม่จองเวนเท่านั้นการไม่จองเวนก็ต้องใช้อภัยทานเราต้องยกโทษให้กับเขา เราให้อภัยแล้วใจเราจะสงบใจเราจะสบายแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำร้ายเขาไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาใหม่นี่คือวิธีหนึ่งคือการให้อภัยอีกวิธีหนึ่งก็ให้คิดว่าเราเกิดมาในโลกนี้เราก็ต้องมารับผลบุญผลกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีต ถ้ามีใครมาทำร้ายเราคิดร้ายกับเราก็ขอให้คิดว่าชาติก่อนเราเคยไปคิดร้ายไปทำร้ายกับเขาแต่เราจะไม่สร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาใหม่ด้วยการตอบโต้เราจะพยายามทำใจให้นิ่งเฉยยอมรับกรรมยอมรับวิบวกที่เราเคยทำไว้เพราะถ้าเราไม่ยุติถ้าเราตอบโต้ เราก็จะมีวิบากกรรมกลับมาตามร่างตามรังควานเราอยู่ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่ก็คือวิธีที่เราทำใจให้เฉยเฉยอย่าไปตอบสู้ต่อต้อตานอย่าไปทำร้ายเขาด้วยการให้คิดอย่างนี้ให้คิดว่าถ้าเขาไม่ชอบเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเรา ถ้าเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็ให้คิดว่าดีแล้วที่เขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วคนเราเกิดมาไม่ช้าก็เล้วก็ต้องตายตายแล้วก็จะได้หมดทุกหมดเวรหมดปัญหากันไปถ้าอยู่ก็ยังต้อง ทำมาหากินดินนอนต่อสู้กับอุปสรรคกับปัญหาต่างๆคนบางคนอยากจะตายต้องไปจ้าหรือต้องไปเสียเงินซื้ออาวุธซื้อยาพิษมากินนี่เราไม่ต้องเสียเงินมีคนมาทำให้เราตายถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะทาใจให้นิ่งเฉยได้คือให้คิดว่าดีแล้วที่มันไม่เร็วไปก่อนนี้ นี่แหละคือวิธีที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราดับความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่อยากให้มีความโกรธขึ้นเลยเราก็ต้องไปหยุดต้นเหตุของความโกรธต้นเหตุของความโกรธคืออะไรก็คือความโลภนี่ความโลภความอยากได้เวลาเราโลภอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจ มีคนอื่นเขามาเอาไปก่อนอย่างนี้เราก็จะโกรธคนที่มาแย่งสิ่งที่เราโลภเราอยากได้ไปหรือคนมาขัดขวางเราต้องการตำแหน่งนี้แต่มีอีกคนหนึ่งเขามาคอยขัดขวางไม่ให้เราได้รับตำแหน่งนี้เราก็จะโกรธคนที่มาขัดขวางเราแต่ถ้าเราไม่มีความโลภเรามีความมักน้อยสันโดษ ยินดีตามมีตามเกิดได้ตำแหน่งนี้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้สิ่ง น, นี้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีสันโดษมีความยินดีตามมีตามเกิดหรือมีความนักน้อยเราจะไม่ค่อยโกรธใครเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีเหตุที่จะทำให้เราต้องโกรธเพราะเราไม่ได้อยากได้อะไรนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พวกเรามาหยุดความตรวจกันส่วนความหลงนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าให้เราศึกษาความจริงให้เรารู้จักความจริงว่าเป็นอย่างไรความหลงคืออะไรความหลงก็คือเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นเรา เป็นตัวเราเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเราต้องศึกษาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่มีวันดับเพียงแต่ว่าจะดับช้าหรือดับเร็วเท่านั้นเองเช่นภูเขานี้กว่าจะดับก็ใช้เวลาอีกนานโลกนี้กว่าจะดับไป ก็ใช้เวลาอีกนานแต่ไม่ช้าก็าเลยสักวันยังโลกนี้ก็ต้องดับไปสิ่งที่ดับเร็วก็คือร่างกายของเราถ้าเราเปรียบเทียบกับภูเขากับโลกนี้ร่างกายของเรานี้เพียงร้อยปีก็ต้องหมดสภาพไปร่างกายนี้เราก็ยังคิดว่าจะอยู่กับเราไปนา น, า น, านเราไม่เคยคิดว่าร่างกายนี้จะตายจะหมดไป อันนี้ก็เป็นการเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นว่าร่างกายนี้ให้ความสุขกับเราทั้งๆที่ร่างกายนี้ให้ความทุกข์กับเราตลอดเวลาเราต้องทุกข์กับการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกข์กับอาการเจ็บไข้ได้ป่วดของร่างกายทุกข์กับความแก่ของร่างกายทุกข์กับความตายของร่างกายเรามองไม่เห็นทุกข์กันเรายังไปยึดไปติด เรายังไปหลงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา ท, ทั้งที่มันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปถ้าร่างกายนี้ไม่มีอาหารตั้งแต่วันที่ขลอดออกมาจากท้องแม่ถ้าไม่รับประทานอาหารไม่ดื่มน้ำไม่หายใจร่างกายนี้จะเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้และเวลาร่างกายนี้ตายไปมันก็ยาก แยกสลายกับคืนสู่ธาตุเดิมน้ำก็ออกจากร่างกายไปลมก็ออกจากร่างกายไปความร้อนก็ออกจากร่างกายไปเหลือแต่ส่วนที่เป็นส่วนแข็งเช่นกระดูก อ, อวัยวะต่างๆที่แห้งกรอบทิ้งไว้นานๆก็ผุเปื่อยกลายเป็นดินไปถ้าเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไป นี่คือร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นเพียมดินน้ำลมไฟถ้าเราศึกษาความจริงแล้วเราจะได้ไม่ไม่ต้องไปทุกข์กับความหลงที่ไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเพราะเวลาเรายึดติดกับสิ่งที่ไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนเวลาเขาเปลี่ยนไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้ เวลาร่างกายแก่แล้วก็ห้ามเขาไม่ได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้เวลาร่างกายตายไปก็ห้ามเขาไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่ใช่เฉพาะแต่ร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นก็เหมือนกันของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของสามีภรรยาของบุตรของธิดาของญาติสนิทนิสหายเป็น เป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวพ่อตัวแม่ตัวพ่อตัวแม่ก็คือจิตใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ไว้ชั่วคราวเหมือนจิตใจของเราที่มาครอบครองร่างกายนี้ไว้เพียงชั่วคราวแต่จิตใจของเราหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราก็เลยต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าเราไม่มีความหลงแล้าเราจะไม่ยึดติด เราจะมองร่างกายของเราเหมือนกับเรามองร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายเราไม่เดือดร้อนฉันใดร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็จะเป็นอย่างนั้นเราจะมองว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นนี่คือวิธีรักษาความทุกข์ใจที่เกิดจากความหลง ที่ไปยึดไปรักไปชอบไปอยากกับสิ่งที่ไม่เที่ยงไปอยากกับสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขไปอยากกับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราขอให้เราคิดอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆนั้นเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเวลาได้อะไรมาก็มีความสุขหลังจากนั้นก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษา ทุกข์กับความหวงทุกข์กับความหวงแล้วก็ทุกข์กับความสูญเสียเศร้าโศกเสียใจเวลาสิ่งที่เราลั่สิ่งที่เราได้มานั้นต้องจากเราไปดังนั้นมันไม่จริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแต่เป็นสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเพราะมันไม่ใช่เป็นของเรานั่นเองเราไม่สามารถไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอด เราจึงอยากไปหลงยึดติดอย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆทั้งหลายในเรื่อนี้ให้เราอยากได้อย่างเดียวก็พอก็คืออยากได้ธรรมะเพราะธรรมะนี่แหละที่จะสร้างความสุขให้แก่ใจของเราอย่างอื่นไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้แต่ธรรมะคําสอนของพุทธเจ้าที่เรามาศึกษามาฟังกันอยู่นี้เป็น สิ่งที่จะให้ความสุขกับเราได้ขอให้เรานำเอาไปปฏิบัติเท่านั้นแหละแล้วรับรองได้ว่าความทุกข์ทั้งหลายจะหมดไปจากใจจะเหลือแต่ความสุขที่ถาวรที่จะอยู่กับใจเราไปตลอดการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไววเปลี่ยนเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้มาบังเกิดกันวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตัดใยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญข้าข้าตปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเถอ